ฟังซีดีของพระอาจารย์เผยสารกันนะเ <c oughs> มื่อวานนี้ก็ได้ฟังซีดีของพระอาจารย์เผยสารนะท่านก็บอกว่าเออตอนไปอยู่กับหลวงพ่อเทศยนใหม่ๆก็ถามหลวงพ่อเทียนว่าจะปฏิบัติเวลาไหนบ้างหลวงพ่อเทียนบอกว่าให้ปฏิบัติทั้งวันเลยนะตั้งแต่ตื่นนอนถึงเข้านอนนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ว่าครูบาอาจารย์ท่านก็บอกเราเอาไว้ตรงนี้นะแสดงหลวมพ่อเทียนนะให้เราปฏิบัติทั้งวันตั้งแต่ตื่นนอนถึงเข้าน อ, นอนเลยนะ เพราะนั้นถ้าใครอยากจะได้ผลจริงๆก็ให้ปฏิบัติเหมือนที่ลงพ่อเทียนบอกนะเนี่ยไม่ใช่ว่าเออได้เวลาเคาะมงหนึ่งเราก็ไปฏิบัติเคาะไอมงหนึ่งก็เลิกอะไรทําเรานี่มันก็ไม่ใช่มันก็น้อยไปช้าไปเพราะจริงๆแล้วนะทั้งวันมันมีเวลามากกว่าที่จะเวลาที่เราปฏิบัติในรูปแบบต่างๆเนี่ยเยอะมากเลยนะรู้ตัวไปเรื่อยๆนะตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยรู้สึกตัวก่อนนะเราค่อยลุกขึ้นมาเนี่ยอาบน้ําแปรงฟันก็รู้สึกตัวไปเรื่อยๆ โดยพอช่วงที้เราประทานอาหารเนี่ยช่วงนี้ดีมากนะถ้าใครฝึกจริงๆมันจะได้รู้สึกตัวในช่วงนี้ยังชัดเจนเลยเนี่ยอย่างที่ว่าเนี่ยตักอาหารเข้าปากก่อนแล้วก็เอาวางช้อนดุดครั้งเนี่ยแล้วเคี้ยวให้รู้สึกตัวเคี้ยวเยอะๆเนี่ยมันจะรู้สึกตัวได้ตลอดเลยนะตรงนี้สําคัญมากนะใครปฏิบัติตรงนี้ได้เนี่ยมันก็จะต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆทั้งวันนะมันต ร, ตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญแต่ขยับขยื่อนเล็กๆน้อยๆก็อย่าไปทิ้งนะรู้ไปตลอดนะ เข้าห้องน้ําอะไรชาระล้างก็รู้ไปเรื่อยๆนะีนะ่แหละอยไปทิ้งเล็กๆน้อยๆอย่าไปทิ้ ง, ลนอนองแล้วมันจะค่อยๆละเอียดขึ้นเรื่อยๆนะอีกหน่อยเราก็พิบตามันก็รู้สึกได้นะี่ใช่ไหมเพราะว่าเราค่อยๆทําจิตแล้วมันก็ละเอียดขึ้นเรื่อยๆนะจากการที่เราทําของหยาบนะมันมารู้ในสิ่งละเอียดต่างๆเนี่ยได้ไดนะเพราะฉนั้นเมื่อก่อนนั้นเรารู้ในสิ่งหยาบหยาบได้นะรู้หยาบหยาบได้นะ จิตมันจะค่อยๆรับรู้ไปเรื่อยๆนะจนมันรับรู้ในสิ่งละเอียดได้นะเข้ามารับรู้เรื่องจิตเรื่องใจของเราได้ตลอดนะติดมีความคิดเล็กๆน้อยก็รู้ทันนะหรือมีรมต่างๆเล็กๆน้อยก็รู้ทันนะเพราะนั้นอย่างเช่นความโกรธนี่นแหละมันก่อนจะถึงความโกรธก็ต้องมีความโกรธความไม่พอใจความขัดเคืองก่อนแล้ค่อยถึงความโกรธนะแต่ถ้ามาก่อนเราไม่เคยปฏิบัติโอ้ใครมาว่าเราเราก็โกรดเร็วโกรดทันทีนะ แต่พอตอนหลังก็เหมือนกันใครมาว่าเราเราก็จะเริ่มเห็นอารมณ์เล็ก ๆ, ๆน้อยแล้วเออเริ่มงดงียแล้วนะเริ่มขัดเคืองแล้วนะเริ่มไม่พอใจแล้วนะก็คือเราเห็นอ่าหนทางว่ามันมันปล่อยต่อไปไม่จะเป็นความโกรธพอเรารู้แั้นเราก็ออกจากสิ่งเราเนี่ยมาได้นะทุกๆลมก็เป็นแบบนี้หมดเลยคือมันจะเห็น <c oughs> ความเริ่มต้นของอารมณ์ต่างๆได้เร็วขึ้นนะเพราะว่าติดเรามีสติมีกําลังมีกําลังที่จะกลับมารู้สึกตัวมาเห็นตัวเราเองนะ เพราะนั้นาเราฝึกแล้วเนี่ยมีสติแล้วมันไม่ไปไกลหรอกนะมันจะกลับมารู้สึกตัวได้เองนะบางทีจิตใจเราเลื่อนลอยแป๊บหนึ่งมันก็กลับมาแล้วเออกลับมาทันทีได้เลยนะมันจะเป็นความชํานาญของจิตที่มันจะกลับมานะอย่างที่ว่าปฏินะปฏิบัติปฏิก็คือกลับมานั่นเองไปไม่ไกลเออคิดไปปุ๊บกลับมาเลยรู้สึกตัวแม้จะนั่งเฉยเยมันก็กลับมาได้เองนะนะ่ะหรือว่ามีลมต่างๆเกิดขึ้น รู้แป๊บเดี๋ยวก็กลับมาแล้วเนี่ยกลับมาทันทีแล้วเป็นปกติได้เร็วขึ้นเนี่ยก็เกิดจากการที่เราฝึกจนชํานาญนะชํานาญในอะไรชํานาญเรื่องจิตนั่นเองนะคือเราจะเห็นวิธีของจิตนั่นเองว่าเออมันทํางานยังไงนะความคิดมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะอารมณ์ต่างๆมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะมันจะเห็นสภาวะพวกนี้ชัดเจนเลยนะความคิดต่างๆนะเกิดยังไงดับยังไงนะอารมณ์ต่างๆเกิดยังไงดับยังไงเมื่อก่อนเราไม่เห็นนะมันเกิดแล้วเราก็เห็นแต่ตอนหลังเออเราค่อยๆเริ่มเริ่มเห็นมาแล้ว หรือแม้แต่มันดับยังไงก็เห็นด้วยเนะ่คือความชํานาญทางจิตมันจะมีมากขึ้นในตรงเนี้ยพอมันเห็นมากขึ้นแล้วมันก็ล่อยวางได้เร็วขึ้นนะอารมณ์ต่างเมื่อรู้แล้วก็มันก็เฉยๆไปเองนะเออมา่ก่อนใครมาบ่นมาว่าเราเราก็ไปรับอารมณ์ทุกๆอย่างที่เขาว่าเขาบ่นทั้งๆนี้มันก็ไม่ได้เกิดจากพูดเราทําขึ้นมาเองแต่เราไปรับเขาเนี่ต่อไปเออใครจะมาอะไรเราก็เฉยๆเพราะมันรู้เฉยๆเมื่อจบแล้วนะทุกอย่างมันแค่รู้เฉยเท่านั้นเองมันตรงกันเลยรู้เฉยนั้นก็คือสักแต่ว่าเนี่ย เมื่พาพา ย, ยะน่ะท่านก็สู้รู้เฉยนะพระพุทธเจ้าบอกว่ารู้เฉยนะอะเห็นได้สักก็ไดเห็นได้ยินสักก็ได้ยินทราบแต่สักก็ยึดทราบอรู้ก็สักก็บรรู้นนั่นคือที่สุดแห่งทุกข์นั่นเองนะเนี่ยเพราะฉะนั้นมันอีกหน่อยมื่รู้เฉยได้เนี่ยพอรู้เฉยก็กลับไปเป็นผูน้ ด, ดูผู้เห็นไปเนี่ยมันก็ตรงกันในแนวทางหลักบูทเทียนเลยเป็นผู้ดูผู้เห็นไม่เป็นผู้เป็นนะเนี่ยมันก็ตรงกันหมดนะเพราะถ้าเราไปบัตรถูกทางแล้วมันจะรู้ทันนะ เมตาการพูดคุยเราก็ไม่ไม่อินก็ไม่แนลลมนะมื่ก่อนเราคุยแบบคุยแบบโอ้เข้าไปแนารมเลยนะสนุกก็เข้าไปเลยนะฟุ้งซ่านก็เข้าไปเลยนะมีความไม่ชอบใจ ก, ก็เข้าไปเลยชอบใจก็เข้าไปเลยนะแต่ตอนหลังมันคุยแล้วมันเออมันก็มันกลับมาได้เร็วขึ้นนะมันก็ไม่อินก็ไม่แนลลมต่างๆนะตรงเนี้เป็นสิ่งที่เราสังเกตได้เพราะฉะนั้นคําว่าปฏิบัติทั้งวันก็หมายความว่าเราก็พูดได้เหมือนกันนะแต่พู ด, ดน้อยๆนะ ขณะพูดก็ต้องมีสติด้วยนะมีสติที่จะไม่อินกไปนในลมเนี่ยมันแสดงเรายังปฏิบัติได้ต่อเนื่องนะคือการพูดเนี่ยเราก็มีสติอยู่ทุกๆครั้งเนี่ยเรายังเป็นการปฏิบัติอยู่แต่ถ้าพูดเราเราไม่รู้สึกตัวแล้วเนี่ยเราไหลเข้าไปเลยอันนั้นเราก็ขาดสตินะมันก็ไม่ต่อเนื่องกันนะอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญนะเพราะว่าพูดเนี่ยมันล้วนไหลยเยอะนะถ้าไม่ยังเป็นแ็ยงพูดนะหลงพ่อเทียนในในีดีท่านพูดชัดเจนเลยตอนท่านปฏิบัติใหม่ๆก็ไม่มเพื่อนของท่านเนี่ยก็ พอเพื่อนท่านมาจะมาคุยท่านหนีเขา้าหนีเข้าป่าหนีเข้ากลางทุ่งเลยเพื่อนหาไม่เจอตารางเพื่อนก็นมาต่อว่าเออท่านก็ไม่ว่าอะไรนะเพราะว่าท่านต้องการเป็นบัตรให้ได้ผลแล้วก็ไม่พูดคุยส่วนใน 4D ท่านก็บอกเองนะพูดเงี้ยอ่าปิบัตรจนตายก็ไม่ได้ผลหรอกนะท่านพูดเลยนะพูดคุยเก่งๆเนี่ยเดินจงกรมจนเท้าแตกมันก็ไม่ได้ผลใช่ไหมเรื่องตัวนี้เป็นสิ่งสําคัญเออเรายังเป็นผู้ที่ ต้องฝึกฝนอบรมอยู่เราต้องเชื่อ ค, าา ร, คาารูบาอาจารย์นะครูบาอาจารย์บอกอย่าพูดคุยเราก็อย่าพูดคุยนะให้ปฏิบัติทางบานันเราก็เชื่อท่านเราก็ได้ผลนะแต่เรามันเราไม่เชื่อเราก็ไม่ค่อยได้ผลหรอกใช่ไหมเพราะสิ่งเหล่านี้เรียกว่าใครทําใครได้ด้วยตัวเราเองนะมันเป็นสิ่งที่ต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองเราต้องทุ่มเทกําลังกายกําลังใจอย่างสําคัญนะเราหยาดหนึ่งการปฏิบัติธรรมนี้ก็ต้องใจยเย็นๆ น, นะเจริญสติต้องใจยเย็นๆไม่ใช่ว่าทำแล้วต้องเห็นผลลุ่มเร็ว หรือต้องได้ผลทุกๆครั้งนะมันก็ไม่จําเป็นบางครั้งดีบางครั้งไม่ดีก็ไม่เป็นไรเพราะมันได้แสดงนิจังให้เราเห็นแล้วว่าเราบางังคับปัญชายก็ไม่ได้เนี่ยมันจะเกิดปัญญานในตรงนี้ด้วยนะทํานีใจเย็นๆค่อยๆดูไปนะสังเกตให้ชัดเจนในแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นแล้วคําว่าปฏิบัติาาทั้งวันหรือไปฏิตให้ต่อเนื่องลุกโซเนี่ยไม่ใช่ปฏิบัติตลอดเวลารู้แบบรู้ยาวๆไปเลยนะหรือลู้ทิพึงยาวเหยียดเลย จิตไม่ได้สายแฝไปไหนเลยไม่ได้คิดอะไรเลยนะแสดงเป็นการไปเพ่งไว้แล้วนะจิตมอย่าทื่่นะมันจะทื่อเลยอันนั้นก็เรียกว่าแบบเป็นเหล็กเส้นนะั่นไม่ถูกเข่าวไปเป็นลูกโซ่คือรู้เป็นขณะขนาะเป็นจังหวะจังหวะรู้บ่อยๆเกิดบ่อยๆดับบ่อยๆเพราะมันรู้แล้วก็หลงได้รู้แล้วก็หลงได้น่ะรู้แล้วก็หลงมันก็คื อ, อสติแล้วนะเออมันหลงปุ๊บแล้วก็ลุกขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งในเป็นสติเลยนะไม่ใช่ไปบาจายาวๆนะอันนั้นก็ไม่ถูกนะ เพราะนั้นเราปฏิบัติแต่ละมันไม่ยังหลงอยู่อันนั้นก็ถูกแล้วนะยิ่งหลงนี่ก็ยิ่งรู้นะหลงพ่อเทียมบอกว่าเอ่ยิ่งคิดก็ยิ่งรู้นะก็แสดงว่าะะยิ่งหลงก็ยิ่งรู้นั่นเองนะเพราะนั้นอย่าไปกลัวตัวหลงนะหลงก็กลับมารู้ทุกครั้งน่ะหลงบ้างรู้บ้างนั่นแหละถูกแล้วนะอันนั้นคือปฏิบัติแบบลูกโซ่่ไม่ใช่รู้ทิ้งยาวเหยียดเลยหรือหลงยาวเหยียดก็ไม่ถูกเหมือนกันนะเ <laughs> พราะนั้นถ้าเราปฏิบัติใจเย็นๆเนี่ยมันก็ได้ผลอย่างแน่นอนนะเราจะเห็นว่า จริงๆแล้วความทุกข์เนี่ยมันกินแล้วไม่ได้หรอกนะถ้าเราไม่เข้าไปในลบต่างๆความทุกข์กินแล้วไม่ได้น่นอนนะเพราะว่าความทุกข์มันมันเกิดจากลบต่างๆนั่นเองนะเกิดมาในรูปแบบของอ<ย>ารมณ์พอเรารู้ท่านอารมณ์แล้วเนี่ยเออถ้ามันไม่เข้าไปในลบจริงๆแล้วมันกินแล้วไม่ได้น่นอนนะอันนี้เป็นวิธีการที่ลทหลวงพ่อเทียนเนี่ยท่านยืนยันเลยว่าสามปีไม่มีความทุกข์เพคือตรง น, นี้นั่นเองเพราะเราเห็นอารมณ์เพราะเราเห็นปุ๊บเราก็ไม่เข้าไปในมันแล้วมันจะเกิดความทุกข์ได้อย่างไรนะอันนี้ก็วิธีการที่เรียกว่าง เพราะฉั้นพวกเราตั้งใจปฏิบัติจริงๆนะเราปรองดองชาติเนี้ยโอ้ความทุกข์นี่น้อยแน่นอนนะหรือจะถึงพันนี้ผานในชาตินี้ก็ได้นะ เ, เราฟังดีๆร่วมกัน